พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าฝึกใจให้ยอมรับเมื่อกีฑ์หลวงพ่อเดินไปดู บาดของพระนานๆหลวงพ่อจะเดินดูครั้งหนึ่งอาหารในบาดของพระเป็นไงทั่วถึงกันไหมเรื่องอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญออในพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัเพสัตาอาหารฤธิกาสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารไม่ว่า สัตว์ประเภทไหนเป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ของเราก็เป็นอยู่ด้วยอาหารพระของเราก็เป็นอยู่ด้วยอาหารในร่างกายนะแต่พระของเราในเหนือกว่าต้องอาศัยอาหารใจด้วยอาหารกายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอแต่เมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อได้เดินไปดูบาทของพระ ว่าอาหารเพียงพอไหมถ้าให้เพียงพอจะกับหลวงพ่อก็ดูแล้และอาหารที่ผ่านหลวงพ่อไปนี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าการตัดนะจัดจัดอาหารสมัยหลวงพ่ออยู่กับหล ง, งโอ่งหลวงตามหาบัวท่านจะให้จัดตักอาหารสลับกันบางทีก็ตักขึ้นมาจากปลายแถว มาหาหัวแถวแล้วก็ตักจากหัวแถวลงไปหาปลายแถวตักจากตรงกลางลงไปหาปลายแถวกลับมาหาตรงกลางขึ้นมาหาหัวแถวอันนี้คือหลวงตาอยู่วัดป่าบ้านตาดท่านให้สลับการตักอาหารให้ทั่วถึงสรุปแล้วก็คือให้ทั่วถึง เวลาใส่บาตรให้มองบาตรไม่ใช่ว่าตักโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้ ง, งไม่เคารพในการาทำบุญของตนเองการตักบาตรก็คือการทำบุญของพระมีน้าใจอาหารควรจะตักทงตรงไหนมันมีมันอาหารมันเผ็ดไหมเป็นน้าพริก เ, เราควรจะวางไว้ตรงไหนอย่างไร เราจะแจกตรงไหนผู้ที่แจกน้ำแจกน้ำเพลิกแจกพลิกนะแจกแจ่วนะเราต้องหาที่ลงไม่ย่าเทลาดไปเลยเ อ, องที่ฉันไม่ได้มันก็เผ็ดแนตะ่จิตเนีพอมันเผ็ดตู้อยู่แล้วมันเผ็ดนะสิ่งเหล่านี้พระผู้ที่แจกอาหาราต้องใช้ปัญญาสรุปแล้ว ถ้าใช้ความโง่ความไม่รอบคอบจักแต่ว่าธรรมใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะฉะในพระเนทุกอง์นะทั้งพระเก่าพระใหม่ต้องสอนกันที่หลวงพ่อได้พูดให้กล่าวไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะสอนอทุกวันทุกวันเรื่องไม่เป็นเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะต้องสอนมันมีต่างเยอะแยะไปของพันนิพภะเก่าที่อยู่มานานเห็นพระใหม่ ทำไม่ถูกต้องผ้าเก่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาบอกกล่าวว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะควรจะทําอย่างนี้เวลาตักบาตรต้องให้ระมัดระวังไม่ใช่ว่าจับโยนจับโยนจับโยนเมื่อก็ทิ้งให้ทิ้งให้หมูหมากาไกา่ไม่ใช่หมู่พวกเพื่อนเป็นผู้ทรงศีลเราทําลงไปทําด้วยความเคารพทําด้วยความระมัดระวัง เ, เวลาจะใส่บาตรต้องบองซะก่อนอจะอาหารประเภทนี้จะลงตรงไหนคือสรุปแล้วคื อ, คอใจท่านกับใจเราไม่ต่างกันหรอกใกล้ๆกันนั่นแหละถรือจะไม่อันเดียวกันก็ใกล้ๆกักกกนควรจะอยู่ยังไงเพราะนั้นให้พระทุกองค์นะที่หลวงพ่อได้พูด нако, นานหลวงพ่อจะได้พูดเรื่องอย่างนี้ให้พระลูกหลานได้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าควรจะใส่ใจนะพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาต้องศึกษาไปทุกอย่างในการเป็นอยู่การวางตัววันนี้เป็นวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2559อที่หลวงพอ่อเนพูดไปเมื่อกี้เนี่ยให้พวกเราดูตนเองเข้ามาบวชแล้วพวกเขามา พวกเราเข้ามาสู่วัดวายศาสนาเข้ามาด้วยเหตุอันใดเข้ามาบวชเพราะอะไรมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแต่บางครั้งหลวงพ่อเขาให้มองประเด็นนอกแห่มองเรื่องนั้นมองเรื่องนี้แต่เมื่อวานกขาพูดเรื่องมองอาหารสัตว์อาหารเสืออาหารสัตว์ทั้งหลายอ แต่หลวงพ่อถึงยังไงพูดไปที่ไหนก็เถอะก็หลวงพ่อเองไม่ลืมอาหารใจเราพอมาบวชมาอยู่วัดวาศาสนาอย่างนี้เราจะไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกอันนั้นผิดเราไปค้นคว้าศึกษ า, าทางนอกผิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลพ่อแม่ครูบาอาจาร สายหลวงปู่มั่นองหลวงตาท่านสอนอย่างไรสอนพระแต่สรุปแล้วก็คือท่านให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองให้มากที่สุดอันนี้เหตุเราจำเอาไว้นี่แหละคือจุดจุดใหญ่จุดยืนเรืยกว่าจุดหนึ่งนับหนึ่งรกว่าเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกคือท่านสอนว่า ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองให้มากที่สุดและเราจะทำยังไงที่จะทำให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดถ้าหากว่าเราปล่อยเรานั่งเราปล่อยแต่เรวี่แต่ละวันที่ว่าไม่เคยคิดเข้ามาหาตัวเองเจะเลยอันนั้นบอผิดผิดอย่างมากแต่ถ้าว่าเราบาเพ็ญไปอยู่แต่ ขาดขาดปนวิ น, บ, นบางทอาีออกเป็นส่วนมากแต่ก็ยังพยายามอยู่อันนั้ก็ยังมีส่วนหนึ่งว่าเราควรจะมีการสำนึกได้ส่วนหนึ่งแต่พวกเรามีความมุ่ง ม, มั่นตั้งใจเอาเถอะข้าพเจ้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาข้าพเจ้าจะพยายามภาวนาให้มากที่สดุดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุด อันนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งมั่นไปพูดตั้งตรงเป็นผู้เดินตรงตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ในพวกเราให้ฟังเอาไว้พวกเราบวชมาคราวนี้เรามาอยู่วัดมาเพื่ออะไรให้ถามตนเองมาเพื่อภาวนานะลูกหลานนะพระเนนนะเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะ อย่างอื่นมันผลเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่เรื่องภาวนาจิตภาวนาเนี่ยคือหลักหลักของเราที่เรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจถ้าละท่าได้หลักใจสักอย่างเดียวเท่านั้นนะเลิศประเสริฐที่สุดถ้าหลักใจของเราล้มเหลวสัก อ, อย่างเดียวนั้นนะแปลว่าเสียหายผปลปีทั้งหมดถ้าหลักใจล้มเหลวนะถ้าว่าหลักใจของเรามั่นคง ถึงส่วนอื่นจะล้มเหลวกว่าเธอสิ่งภายนอกถึงจะล้มเหลวแต่จิตใจของเรามั่นคงสมาธิของเราดีปัญญาของเราพิจารณาการกรองไตรตรองทุเหตุและผลมั่นคงอันนั้นแปลว่าเลิศประเสริฐถึงจะอยู่ทุกข์กยากลำบากอาหารอิ่มมือ้อถึงมันได้ไม่มีอาหารในท้องจะเลยก็ยังเลิศประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่า เราเอาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารใจของเรามีเพียงพร้อมออาหารของเราอิม่มใจของเราอิม่มอิ่มในธรรมแต่ร่างกายมันจะหิวโหวยไปบ้างก็ไม่เป็นไรจะเหมือนกับพระท่านอดอาหารภาวนาอย่างนั้นะร่างกายหิวแต่จิตใจนั้นอิ่บเอิมอิบ่บอิ่มเอิบไปด้วยธรรมะ เนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องการเป็นอยู่ของเราเนี่ยสติสัมปชัญญะไม่มีอย่างอื่นออถึงจะเรียนทางรัดมาขนาดไหนก็เถอะจะลัดมาอย่างไงก็เถอะมันต้องไปจากทางนี้แล้วนั้นคือสติอยู่กับตนเองเออการที่จะมีสติอยู่กับตนเองนั้นทําอย่างไร อ, อ, อันดับแรกก็ต้องออการฉันน้อย คุยน้อยพูดน้อยปลีกวิเวทอยู่ตามลําพังเนี่ยอันนี้มันไปลักษณะอย่างนะที้แล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าฉันมากฉันมากนอนมากคุยมากอันนั้นแปลว่าผิดทางจะแล้วเราต้องฉันน้อยนอนน้อยคุยน้อยปลีกยนออกออกจากหมู่พวกเพื่อนไปหาหมุมสงบมันอยู่ในตัวของเราทั้งหมดเราจะหาหมุมสงบที่ตรงไหน ในวัดของเรากว้างขวางขนาดอยู่ในห้องเดียวกันเรายังหาบ่มสงบได้ถ้าว่ามีหมู่พกเพื่อนกุกๆกัากเรา ก, ก็ขยับไปหาที่อื่นในมุมสงบในวัดของเรามีบุมสงบนะจากนั้นก็นั่งทานั่งกัดสมาธินั่งที่ไหนก็ได้มียากันยุงไมกันยุงไว้หนานี่มันโดนมากมันมียุง จากนั้นหรือว่ามีมุ้งครอบไหมเราก็เข้าไปนั่งนั่งในมุ้งครอบถ้ามันไม่ร้อนจนเกินไปจากนั่นกันนั่งคัดสมาธิเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกตั้งจิตอธิษฐานในใจข้าพเจ้าจะพยายามทําจิตทําสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะนั่งขณะนี้คือมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการ บำเพ็ญในการภาวนาคือจุดหัวใจของเรางานของเราจุดมุ่งหมายของเราคืออันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้ท่นเองเป็นผลทางกิเลส ท, ที่มันจะออกไปเท่านั้นเองเอที่จุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราคือนี้คือความพ้นทุกข์เพื่อจะให้จิตใจสงบาจากนั้นก็นั่งภาวนากําหนะ ด, ดลมหายใจเข้า แต่ต้องบังคับนะไม่ใช่มันอยากจะทำนะเรื่องภาวนานะไม่ไม่ใช่เรื่องอยากจะทำนะน้อยมากที่ผู้อยากจะทำมีศรัทธาและอยากจะทำนะมันมีอยู่่จะทำจิตใจให้สงบโดยมากต้องบังคับเราต้องศึกษาค้นคว้าจากนั้นก็เอาเหตุผลว่าการนั่งภาวนาคืออะไรศึกษาเข้าใจแล้ว ในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าในเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามนี้เอาดูสิปลูกศรัทธาขึ้นมาพอปูสะานมันนั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออ ก, ห า, ออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทายใจออกโทแต่ลงตาเนะี่ยยืนหยัดยืนหยัดเลยละ่ะดวงตามหาบัวนะ่ะต้องบริกรรมเท่านั้น่ ให้เขาว่าท่านได้ผลท่านได้ผลในการบริกรรมอย่าไปบริกรรมแบบลอยๆกำหนดลมหายใจเฉยๆท่านว่ามันหลงลืมหลงเ ง, ง, ง่อนได้ง่ายหลงสนได้ง่ายหรือลืมห ล, ลงได้ง่ายต้องบริกรรมพดโทด้วยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องใส่ใจตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้รับมรับผลมาแล้วท่านทำอย่างไร เราเดินตามหลังท่านจากนั้นกัพระพุทธนั่งคัดสมาธิแล้วกับปนมมือขึ้นระว่าง อ, อกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวภูมิพระคุนพระคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก่อเอามือลงกําหนดเลยแต่ไหให้บังคับให้สติอยู่กับตนเองพทุพโทโธพุทโธเลยแนตะ่ไหนนี่แหละวิธีการ ไม่มีอย่างอื่นนะ ล, ลูกหลานนะอแต่สรุปแล้วก็คือให้รู้จักเปลีกตัวหาหมุมสงบการคุยการพูดกันมีแต่สัญญาอารมณ์ถ้าคุยกันมากสัญญาอารมณ์ก็มากอองค์หนึ่งได้คําหนึ่งองค์หนึ่งได้คำหนึ่งองค์หนึ่งไปเที่ยวท่างหนึ่งองคหนึ่งไปอคบค้าสมาคมกับใครต่อใครแล้วก็มาพูดใกันพอเสร็จแล้วก็มาจินตนาการเค้เอเไรเหย ไปตามสัญญาอารมณ์ของตนเองแล้วจะมาภาวนามันจะภาวนาได้ยังไงเพราะมก็ไปตามสัญญาอารมณ์ที่พวกเราได้พูดได้คุยกันจากนั้นกว่าที่จะหักล้างตัวนั้นได้ไม่ใช่ธรรมดาแต่บางคนก็ตามทั้งวันทั้งคืนยังไม่ยังไม่แล้วตามอีกหลายหลายวันอีกต่างหากเสียเวลาอีกต่างหากในการตามสัญญาอารมณ์นั้นเพราะนั้น ทางว่าผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งใช่พอพูดจบแล้วกระจบมันหายากนะโดยมากผู้จะเป็นอย่างนั้นมีแต่ลอยตามสัญญาอารมณ์ของตนเองเพราะฉนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องปลีกหาความสงบเรามาอยู่กี่วันเรารู้ไหมเราอยู่กี่วันเรามาอยู่เพื่ออะไรเรามาศึกษาใช่ไหมเรามาเพื่อภาวนาใช่ไหม แต่ถ้าเราถามเราอยู่เสมอนะเราจะไม่ลืมตัวนะแต่เราไม่ได้ถามตัวเองเนะี่ยอยู่เออระเหยไปเป็นมันวันถึงมันแล้วก็ถึงกลับกลับไปเพอเพออยังตำหนิพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตำหนิครูบาอาจารย์ตำหนิสักสํานักวัดครูบาอาจารย์ อ, อีกมาอยู่วัดปา่าอย่างงั้นอย่างงั้นละไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเพราะเองตัวเองไม่ทําอะไรอบอกให้ทําะ ให้ภาวนาดูสิเดินอยู่ากรมในนั่งภาวนาดูสิถ้าหากไหวปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อนำทาคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวปฏิบัติดูสิหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะต้องรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงผลเหตุผลนี่เป็นยังไงการภาวนาการอยู่ในป่านี่มันไม่ใช่ว่ามันอยู่แบบ สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอยู่แบบสบายสบายไม่ใช่นะหลวงตามหามัวท่านบอกได้เลยบอกว่าไม่มีอันไหนที่จะทกยิ่งกว่าการบังคับจิตใจให้อยู่กับให้อยู่ในความสงบการงานอย่างอื่นเราสู้มาแล้วแต่นี้เรายกหลวงตาาวายจะยกหลวงพ่ออินขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายบางคนยังไม่เชื่อก็ยังหงิงเขี่ยวสิีฮ่ฮฮ่เอีก เพราะฉนั้นนายยกองคหลวงตาขึ้นมาให้เป็นตัวอยา่างหลวงตาท่านบอกอย่างนี้แต่องค์อื่นท่านปฏิบัติมาทั้งหมดเป็นอย่างหลวงตาพูดนะแต่มันไม่ชัดเจนหลวงตาเนี่ยชัดเจนที่ท่านพูดออกมาไม่มีอะไรที่จะทุกข์ยิ่งกว่าการจะบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบแต่เมื่อบังคับจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าจิตใจสงบผ่านความสงบ แต่ไม่ใหม่การบังคับมันเป็นเรื่องที่ยากมากหนักหนักสาหนักสาหัดซากันอย่างมากแต่เมื่อบังคับเข้าสู่ความสงบไปแล้วนั่นแหละมั่นใจไม่มีอันไหนที่จะมีความสงบศกยิ่งกว่าการทำจิตใจให้สงบ เ, เชื่อในพระธรรมคมสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัิสันติป ร, รังสุ ข, ขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตผ่านความสงบไปแล้วเรายกมือไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหทไมพระพุทธเจ้าถึนค้นคว้าศึกษาได้ยังไงท่านฉลาดกว่าเรามากแต่นี้เราปฏิบัติตามเพียงแค่นี้เราได้รับความสุขทางด้านจิตใจอย่างมากเลยเนี่มีความสุขจริงๆจิตเข้าสู่ความสงบนี่แหละเพียงแค่นี้เราก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ เราได้สัมผัสทางด้านจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาปวดทั้งทีอย่าไปเออแล้เหยือลอยลงไปเีละวันละวันผ่านวันผ่านาคืนผ่านเดือนผ่า น, านปีไปเปล่าประโยชน์ถ้าบวชเข้ามาอย่างนั้นเข้าบวชเข้ามาต้องฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่จะตามนิสัยของตนเองนิสัยของตัวเอ ง, เองมีแต่นิสัยกิเลส อ, อยากจะกินอยากจะนอนอยากจะโม้อยากจะคุยเอ อยากจะสงจิตส่งใจออกไปข้างนอกเออละเหยลอยลมคิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันมันได้ประโยชน์อะไรอมันได้แต่ยูนิฟอร์มการบวชท่านเองแต่จิตใจของเราออกไปข้างนอกเปล่าประโยชน์ได้แต่ยูนิฟอร์มแต่จิตใจของเราไม่เป็นพระอา่านี่เราพยายามตามใจให้ของเราเป็นพระด้วยยูนิฟอร์มก็เป็นยูนิฟอร์มของพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าด้วยใจเราพยายาม ปฏิบัติตามที่ทําคําสอนของพุท ธ, ธะด้วยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนด้วยสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราโอปะนียโกนะพวกเราทันทั้งหลายนะที่เขามาสู่วัดวาศาสนาที่มาสู่วัดหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะอมุ่งหวังเรื่องภาวนาเป็นหลักอย่างอื่นนะเป็นผลพลอยได้เรื่อว่าตรงการอยู่ด้วยกันมัต้องมีการพัฒนาที่พักพาอาศัย แต่ถึงจะร่างสร้างแล้วหรูหราโออาขนาดไหนก็เถอะนะเรื่องวัดวาศาสนาที่พักผาอาศัยอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดคิดไว้อย่างนั้นในใจนะข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายตัวเอ ง, องเอเต็งออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ตั้จากท้องแม่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องทิ้งมันอีกเหมือนกันมันไม่ทิ้งได้ยังไงสมัยก่อนเป็นเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงหลวงพ่ออินะ เดินไปที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มแล้วต่อไปนี้เป็นยังไงคงจะได้ใช้ไม้เท้าค้ามยันไปเปรื่อยอผลในสุดนั้นนะตาฝ้า ฟ, า, ฟางงกงัานๆไปทําไมตายง่ายผลในสุดก็ได้ขึ้นรถเข็นตกไปก็หามเลยพยุงลุกพยุงนั่งผลในสุดเป็นยังไงร่างกายนี่ยมันเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันจะไหลไปตูไปสู่สภาพนั้นเราต้องคิดไว้เลย คิดมันไม่คิดไม่ผิดอีกต่างหากคิดที่คิดไว้แล้วนะทุกนะคิดไม่ผิดกันแต่มันจะยอมรับหรือไม่ยอมรับานเองในใจแต่ต้องฝึกฝนให้ใจยอมรับข้าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน เ, อเพราะนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราหวรปฏิบัติตนอย่างไรจะทำอย่างไรจะภาวนาอย่างไรจะทำอย่างไรให้จิตใจของเราพ้นจากทุกไม่เวียนมาเวียนหวาตายเกิดอีก ถ้ามาเวียนไหวตายเกิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้อีกยอมรับไม่ใจให้ถามตนเองถ้าถามตนเองอย่างนี้แหละเป็นผู้ไม่ประมาททตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอะไรคือคุณงามความดีเราจะเดินตามนั้นถึงจะดูทางโลกทั้งเจงหัวเราะอยู่ทั้งวันก็เถิดไอโดนตีกลมอยู่ทั้งวันก็เถออใจของมันมันไม่ใช่ไปอย่างที่มันนะมันสุข ประเดียวประเดาเหมือนสุกเหมือนกับเราได้ทานอาหาราได้กินของอิ่มๆนะอีกสักวันนะ่พญามาจุราเอาไม้มาค้ำคอหายใจไม่ออกนั่นแหละข่าวนะะั่นแหละสุกไหมหัวเราออกไหม เ, เห็นไหมทุกไหม เ, เวลาเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาหายใจปลาบวบนะูวบเป็นไงสุกไหมจุดนั้นนะ่ะ เราต้องดูะดูเขาดูเราถ้าดูเขาดูเราแล้วเราจะตั้งจบความไม่ประมาทโอ้ใ า, างั้นก่อถ้าเห็นเขาอย่างนั้นจิตใจก่อห่อเหี่ยวห่อเหี่ยว ว, ว้าวอ้างว้างหมดอะไรตายอยากอะไรสิถ้าคิดอย่างนั้นอยู่เสมอถ้าว่าคิดตามทำคำสอนของพุท ธ, ธาแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้น่ะมีความมุ่งมั่นในความตั้งใจจริงถึงยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราจะหาทางออกอยังไง พระผู้ได้เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันมีทางออกที่จะทําให้จิตใจห ล, ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาเป็นอย่างนั้นมันมีอีกมันมีทางนะออันนี้เราต้องศึกษาเลยแต่เนี่ยเราจะไปเชื่อแต่ใจตัวเองได้ยังไงเราจะไปเชื่อใจตนเองได้ยังไงใจของเองตัวเองมันเป็นมีกิเลสอยู่แล้วมันต้องเชื่อในหลักธรรมคําสอน เชื่อในพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสังส่วนแล้วก็ปฏิบัติตามอีกนะอย่าไปเชื่อตามที่ท่านบอกแต่เราต้องปฏิบัติอีกในเมื่อปฏิบัติแล้วนะเราจะเชื่อด้วยการปฏิบัติของพวกเราเองนะในละการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคณะจตทายาโยงพระเนลูกหลานนะงานต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร